เมื่อตอนบ่ายได้ไปงานเผาศพของชาวบ้านคนหนึ่งที่บ้านตาวินทองอายุก็84ปีนะก็เรียกว่าถึงเวลาสมควรชาวบ้านคนนี้ก็มาป่วยที่บ้านนะได้พอสมควรแล้ว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 บางทีนอนใต้เตียงคนไข้ก็มีนะซึ่งก็ไม่สะดวกส่วนคนไข้ก็ไม่ชอบบรรยากาศที่มันไม่ค่อยสงบโดยพอาะาอยู่ในห้อง ICU ีนี่ก็มีไฟเปิดสว่างตลอด24ชั่วโมงนะเสียงเครื่องยนต์สารพัดสำหรับชาวบ้านแล้วเขาเลือกมาตายที่บ้านดี ก, กว่าอันนี้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 พ่อแม่ลูกนะหรือว่าถ้ามีปู่ย่าตายายนะก็มีการดูแลนะไม่ค่อยมากเท่าไหร่คนชนบทนี่เขามีข้อได้เปรียบมากกว่าก็คือว่าครอบครัวใหญนะ่แล้วก็มีญาติพี่น้องในหมู่บ้านเยอะถึงแม่ลูกหลานจะไปทำงานในกรุงเทพแต่ว่าก็ยังมีญาตินะหรือคนวัยเดียวกันมาช่วยดูแล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 ิถ้าเป็นบ้านเช่าดูแลนี่ก็ไม่มีใครเจ้าของบ้านก็ไม่อยากให้มาตายในบ้านของเขาบางทีก็ขับไล่สายส่งให้ไปตายที่โรงพยบาบาลทั้งทั้งที่เจ้าตัวก็ไม่อยากไปแต่ถึงแม้คนมีเงินก็เหมือนกันนะคนมีเงินก็ลูกหลานก็ไม่อยากให้พ่อแม่มาตายที่บ้านต้องหาทางเนี่ยส่งพ่อแม่ไปที่โรงพยบาบาลแม้จะปเป็นโรงพยาบาลที่แพงที่สุดก็ยอม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 ลูกหลานก็ยังว่านะกลัวคนคละหานินทาว่าไม่กระตันอยู่หรือว่าอีประการก็คือว่ายังทําใจไม่ได้ยอมรับความตายของพ่อแม่ของปู่ย่าตา ย, ยายไม่ได้ก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อจะให้มีลมหายใจได้เยื่นยาวมากที่สุดเสร็จแล้วก็จบลงด้วยความทรมานแล้วก็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 อันนี้มันต่างจากเนาะชาวบ้านในในหมู่บ้านนะที่จริงหมู่บ้านเดียวนี้นก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่ว่าอย่างบ้านตาลินทองนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่ไกลไกลความเจริญนะเมื่อเทียบกับบ้านถ้ามาไฟ บ, บ้านอ่ากุดงงนะความเป็นชุมชนก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าเดียวยาการเยียวยากายจะไม่ค่อยมีแล้วนะแต่ว่าการเยียวยาดูแลจิตใจก็มี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 เพราะว่าไปป่วยในโรงพยาบาลอยู่ในห้องไอซกว่าจะกลับมาถึงบ้านจริงก็ไม่ถึงบ้านจะซ้ํำพอตายเสร็จจากโรงพยาบาลก็ไปวัดเลยเด็กๆนี่พอเห็นอีกทีก็ไม่เห็นอะไรนอกจากโรงร่างของคนตายก็อยู่ในโรงแล้วแต่คนชนบทนี่ตั้งแต่เล็กก็เห็นคนตายนล้เพราะว่าตายกันที่บ้านตายที่บ้านแล้วก็ตั้งศพที่บ้านน่ะ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 เพราะฉะนั้นพอเวลาเจอความตายาเจอความเจ็บความป่วยก็จะเป็นคนในเมืองก็หรื อ, อยิ่งคนที่มีการศึกษามากก็ยิ่งต่อสู้ขัดขืนทําใจไม่ได้เพราะไม่เคยทําใจตั้งแต่ตอนที่เริ่มแก่และพอป่วยและใกล้าตายก็ยิ่งต่อสู้ขัดขืนมากขึ้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ายื้อได้ก็ต้องยือ้อแต่ว่าการยื้อนั้น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 โดยเพราะถ้าเป็นการวางแผนอนาคตที่จะกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาณในปัจจุบันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แม้แต่พุทอเจ้าก็พูดถึงเรื่องอนาคตตภายหประการอนาคตตภายหประการคือภายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องนึกถึงเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ประมาณอนาคตตภายหประการได้แก่อะไรก้อนหนึ่งได้แก่ความความแก่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 บ้านเมืองวุ่นวายการปฏิบัติธรรมก็ลําบากเมื่อสงฆ์แตกแยกกันนะการปฏิบัติธรรมทําความเพียรก็ลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ะที่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ะที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วดนี้กําลังวังชาเนี่ะที่ยังมีอาหารการกินทีสมบูรณ์ในขณะที่ชุมชนอ่ายังสงบสุขบ้านเมืองอยังเรียบร้อยสามัคคีกันหรือว่าคณะสงฆ์ยังปรองดองกันก็ต้องเล่งทําความเพียร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 เรามั่นใจว่าชีวิตที่ผ่านมาได้ทำความดีมาตลอดนะก็ทำให้เรากลัวตายน้อยลงหรือไม่กลัวตายเลยเพราะรู้ว่าตายแล้วไปดีแน่อย่างที่พระเจ้าตรดนะเป็นคาถาของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะตัดสั้เป็นพระพุทธเจ้าในนาคตพพุทธเจ้านี่ก่อนที่พระองค์จะตัดสั้ก็เคยสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์มาหลายร้อยชาติ ก็มีชาตินึงก็เคยพูดเป็นคาถาว่าข้าพเจ้าไม่กลัวความชั่วในที่ไหนข้าพเจ้าไม่มีความชั่วที่ทําในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงรีกที่หนึงก็พูดว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่ไม่กลัวปัลโลคปัลโลกคือพบหน้าการทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลตั้งมั่นในธรรมนี้มันก็เป็นการอ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 เมือจะเป็นการตายที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นจักปาฏิาริย์สงสารเลยก็ไดนะ้แต่ถ้าคนที่ยังไม่รู้จักปล่อยวาง น, นก็ต้องหาที่พึ่งของใจเช่นพระรัตนตรยัยหรือว่าบุญตัวตนหรือความดีที่ได้ทำเพราะฉะนั้นถ้าทำความดีมากๆมันก็มีต้นทุนที่จะทำให้ระลึกนึกถึงพอเราลึกนึกถึงแล้วจิตใจก็มีอิ่มเอิบให้ความทุกข์หรือว่าความปวดทุกขเวทนาที่บีบคั้นกาย มันก็จะลบกวนจิตใจน้อยพอใจเนี่ยไปนึกถึงสิ่งที่งดงามสิ่งที่ดีงามมากกว่าจิตใจเกิดปราโมทเกิดปิติเกิดปรสสัต t ิเกิดสมาธิเกิดสุขขึ้นมาเนีเป็นไปได้นะเมื่อใกล้ตายแล้วก็มีความสุขนะพระพเจ้าก็ตรัสว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตไม่ว่าบุญที่ทำก่อนจะตายหรือบุญที่เคยทาไว้นานแล้วเพียงแค่ระลึกนึก ถ, ถึงจิตใจก็อิ่มเอเิบนะ เกิดปราโมทย์เกิดปิติาการมีชีวิตที่ดีก็เป็นส่วนของการเตรียมตัวให้ตายดีได้ชีวิตดีกับการตายดีจะว่าไปแล้วก็แยกจากกันไม่ออกถ้าใครอยากจะตายดีก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การมีชีวิตที่ดนะีดีนี่ไม่ดีแบบพุทธนะไม่ใช่ดีแบบทั้งโลกดีแบบทั้งโลกนี่ต้องร่ำรวยนะต้องมีชื่อเสียงต้องมีเงินทองเยอะๆต้องมีชื่อ มีบริษัทบริวารมากๆแต่ว่าดีในทางพูดในทางธรรมก็คือว่ า, ามีศีลมีธรรมนะแล้วก็ไ ม, ไม่ไม่รู้จักไม่ไม่มัวแต่ยึดติดหลงไหลเพลิดเพลินในความสุขสนุกสนานเมื่อเราเึกถึงเมื่อถ้าอยากตายดีนะมันก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้พยายามมีชีวิตที่ดี